ในโลกนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคำสาบมากมายที่ทำให้ผู้คนนั้นรู้สึกกลัวหรือบางคนก็รู้สึกตื่นเต้นสนใจอยากจะพิสูจน์หนึ่งในนั้นคือตำนานเบอร์โทต้องคำสาบที่บางคนเชื่อว่ามันคือเบอร์โทของผู้ผีปีศาจที่นำมาซึ่งความโชคร้ายหายนะและความตายในวันนี้เราได้รวบรวมตำนานความเชื่อจากหมายเลขโทรศพัพท์ ที่ลำลือกันว่าเป็นเบอร์โทรที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเป็นอันขาดมาดูกันว่ามีเบอร์อะไรบ้างที่เป็นเบอร์ต้องคำสาปสุดสยองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนและนี่คือ1ิบเบอร์โทรต้องคำสาปสุดหลอนที่ใครได้รับหรือโทรไปจะต้องได้พบกับความหายนะอย่างแน่นอน090ย์เก c c ซี c c. เบอร์นี้เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรียกกันว่าซาดโกะนัมเบอร์หรือเบอร์ต้องคำสาปจากซาดโกะที่เชื่อกันว่าใครก็ตามที่โทรไปยังเบอร์นี้จะได้ยินเสียงประหลาดสยองเหมือนในหนังผีไม่ต่างกันและผู้ที่โทรไปจะต้องจบชีวิตภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ จากอุบัติเหตุโดยวความเชื่อของชาวญี่ปุ่นหมายเลขี่ออกเสียงว่าชิที่มีเสียงคล้ายกับคำที่มีความหมายว่าความตายนั่นเอง 1. 000ง0 0 000 000เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งของเอเชียซึ่งได้มีคนอ้างว่าหมายเลขโทรศัพท์นี้ ต้องคำสาบหากคุณได้รับสายจากเบอร์นี้จะได้ยินเสียงของผู้ชายบอกคุณว่าถ้าคุณไม่โทรบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเบอร์ต้องคำสาบนี้ให้ครบสิบ้าคนคุณจะต้องพบกับอาถรรพ์และตายในที่สุดเลยมีคนที่ได้รับโทรศัพท์หมายเลขนี้แล้วตัดสินใจโทรกลับไปแต่ก็ไม่สามารถติดต่อเลขหมายนี้ได้อีกเลย เบอร์โทรสีแดงในปากีสถานผู้คนต่างพากันเตือนคนรู้จักให้ระวังการรับสายจากหมายเลขที่เป็นสีแดงที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นหมายเลขต้องคำสาปหรือสายเรียกเข้าแห่งความตายที่เมื่อไรก็ตามที่รับมันจะได้ยินเสียงสัญญาณความถี่สูงจนทำให้เกิดอาการเลือดตกในสมอง แล้วไหลออกจากหูและจมูกในทันทีมีรายงานว่าคนนับสิบรายตายจากเบอร์โทรสีแดงเหล่านี้ด้วย666 666 666 6เบอร์โทรปริศนาที่คนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาได้รับข้อความตัวอักษรและข้อความเสียงจากหมายเลขนี้ เชื่อกันว่าเป็นเบอร์จากซาตานมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่ชายกลุ่มหนึ่งพวกเขากำลังขับรถกลับบ้านเพื่อนของเขาที่อยู่ในรถได้รับเบอร์มือถือแปลกๆ แ, แต่เขาก็ไม่ได้กดรับโทรศัพท์และพูดเล่นกันว่าปีศาจกําลังโทรเรียกเขาจากนรกหลายนาทีต่อมาเขาได้รับข้อความเสียงและเมื่อลองเปิดฟังดูก็พบว่า มันเป็นข้อความเสียงแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนก่อนที่เสียงจะเงียบแล้วก็ตัดไปเขาฟังออกได้แค่สองสามคำแต่ก็ไม่สามารถแปลเป็นคำพูดได้มันรู้สึกน่าหวาดกลัวและดูจริงมากเมื่อเขากลับมาดูอีกครั้งก็พบว่าเบอร์ดังกล่าวเป็นเบอร์ที่ไม่ระบุที่มาซึ่งเมื่อตรวจสอบจากรายชื่อเบอร์โทรเข้า ก็ไม่พบในบินของผู้รับเสียด้วยทำให้คนจำนวนมากยังคงไม่ทราบว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของใครกันแน่ 6.6.6 เป็นอีกเบอร์หนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่มีตำนานเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์นี้พวกเขาบอกว่าถ้าคุณโทรไปยังเบอร์นี้จะเป็นการโทรหาปีศาจ มีกลุ่มคนที่ชักชวนเพื่อนของเขาหลายคนโดยให้แต่ละคนนั้นลองโทรเข้าไปยังเบอร์นี้ว่ามันจะมีผลแตกต่างกันอย่างไรซึ่งบางคนบอกว่ามันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่บางคนกลับบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงเพลงที่น่าขนลุกเป็นอย่างมากและหลายๆคนบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงของซาตาน6 3ส 296 7536หมายเลขโทรศัพท์นี้ดูเหมือนจะเป็นหมายเลขธรรมดาธรรมดาไม่ต่างจากเบอร์อื่นๆแต่เมื่อใครที่โทรเข้าไปจะถูกส่งเข้าสู่ระบบรับฝากข้อความเสียงปลายสายจะมีเสียงของหญิงสาวรายหนึ่งบอกให้ทิ้งชื่อเอาไว้เพื่อติดต่อกลับในภายหลังเพียงคู่เดียวหลังจากนั้นจะได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือ เหมือนเสียงของคนที่ตกอยู่ในอันตรายจากเหตุการณ์ฆาตรกรรมซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นหมายเลขที่สร้างมาเพื่อความสนุกสนานหรือเป็นเรื่องจริงกันแน่999999ในปีพศ2545มีการกล่าวถึงเบอร์โทรศัพท์เลขนี้เป็นอย่างมากซึ่งมีการกล่าวกันว่า ผู้ที่จะโทรเบอร์นี้ต้องโทรไปหลังเที่ยงคืนถ้าหากมีคนรับสายผู้ที่โทรไปนั้นจะขอสิ่งใดๆก็ได้ตามที่ตนเองต้องการแต่เมื่อสมปรารถนาแล้วไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ต้องตายอย่างปริศนาจากอุบัติเหตุประหลาดจนทาให้มีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลัวไม่กล้าที่จะโทรไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับมัน และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจอยากรู้อยากลองว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าบางก็เล่าว่าถ้ามีเสียงลุงแก่ๆรับสายจะสามารถขออะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นเสียงยายแก่ๆรับสายให้รีบวางไม่งั้นจะมีอันเป็นไปบางก็เล่าว่าถ้ามีชายแก่รับสายจะขออะไรก็ได้แต่ถ้ามีหญิงแก่รับสาย จะขออะไรก็ได้เหมือนกันแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนซึ่งตอนนั้นคนที่โทรไปได้ขอให้ตนเองถูกหวยแล้วหญิงแก่ที่รับสายได้ตอบตกลงแต่ขอไก่เป็นข้อแลกเปลี่ยนคนที่โทรไปจึงจัดการเตรียมซื้อไก่ไปให้แต่ไม่ทันไรลูกสาวของเขาก็ตายเสีก่อนซึ่งไก่ที่หญิงแก่หมายถึงนั้นคือไก่ ซึ่งเป็นชื่อของลูกสาวเขาเนั่เนเองเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากในยุคสมัยนั้นจนถูกนำมาสร้างเป็นหนังเรื่อง9 9 9 9 9 9 9ต่อติดตายเบอร์ปริศนาในประเทศไทยได้มีช่วงห น, นึ่งที่มีเบอร์ปริศนาเคยเป็นข่าวฮือฮากันพักใหญ่แล้วกลุ่มเด็กๆ ก็เอามาเล่าต่อๆกันไปในโรงเรียนว่ากันว่าเบอร์นี้เมื่อโทรติดจะได้ยินเสียงเหมือนปลายสายฝากข้อความไว้โดยที่เสียงที่ได้ยินนั้นจะเป็นเสียงของผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือซึ่งมีลักษณะยานและเย็นชาชดโดยมีข่าวลือว่าเบอร์นี้เป็นของเจ้าของเครื่องฝากเสียงไว ก่อนเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงซึ่งก็ไม่มีใครบอกได้ว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือว่าโดนแหกตากันแน่โทรหาคนตายราวๆปีคศออ .1970 ในสหราฐอาณาจักรได้มีคนอ้างว่ามีหมายเลขลึกลับที่สามารถโทรออกได้ฟรีในโทรศัพท์สาธารณะ และเมื่อโทรเข้าไปยังเบอร์นั้นจะได้ยินเสียงของผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งพูดย้อนกลับไปเมื่อปีคศ1975เ้เมื่อฉันอายุเก้าขวบและเพื่อนเพื่อนของฉันทุกคนที่อยู่ด้วยเราทุกคนเข้าไปในตู้โทรศัพท์สีแดงเก่าๆใกล้บ้านเพื่อโทรไปยังเบอร์ลึกลับนี้โดยไม่จาเป็นต้องใส่เงินใดๆลงไปในตู้เลยและได้ยินเสียงที่น่ากลัวนั้นพูดออกมา เมื่อตีความหมายแล้วแปลได้ว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยซูซี่กำลังจะตายพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกในการโทรไปบางครั้งก็อาจจะได้ยินว่าช่วยด้วยช่วยด้วยซูซี่กำลังจะจมน้ำตายเสียงนั้นเป็นเสียงที่เย็นยเยือกน่ากลัวและยังมีกลุ่มคนอีกหลายกลุ่มที่เคยโทรไปยังหมายเลขนี้ ต่างยืนยันกันว่าเขาได้ยินเสียงนั้นเช่นเดียวกันซึ่งหมายเลขนั้นมันนานมากจนจำไม่ได้แล้ว0888 888 888 888ในช่วงต้นยุคคศสองพันประเทศบัลแกเรียเกิดเรื่องราวสยองขวัญกับเบอร์โทรที่ได้รับการยืนยันมาแล้วว่าเป็นเบอร์ต้องคำสาปจริงๆ ผู้ที่คอบครองเบอร์นี้จะต้องตายเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นของบริษัทโมบิเทลซึ่งเป็นบริษัทมือถือในประเทศบัลแกเรียจากคำสาปอันน่ากลัวทำให้เจ้าของคนแรกของมันก็คือซ e o ของบริษัทโมบิเทลเองซึ่งวลาดิเมียเกรสนอบได้ป่วยอย่างรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งหลังจากนั้น เบอร์นี้ก็ตกเป็นของหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่ชื่อคอนสแตนตินดิมิรอปซึ่งถูกยิงตายในปีคศสองพันสและในที่สุดเบอร์นี้ก็ตกเป็นของนักธุรกิจที่ชื่อคอนสแตนตินดิสเลตซึ่งถูกยิงตายเช่นกันในปีคศสองพันห้าให้มันกลายเป็นหนึ่งในเบอร์ที่คนต่างพากันไม่อยากยุ่งด้วยแต่ก็มักจะมีพวกลองของโทรไปเป็นประจํา จนทําให้ผู้บริการต้องระงับเบอร์เอาไว้และไม่มีใครต้องการเบอร์นี้อีกเลยสัมผัสสยอ